การปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของทุกคนเพราะคนจิตธาดธรรมะคือคนไม่มีราคาอะไรธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นสาหรับกายสาหรับใจโลกที่วุ่นวายเดือดร้อนและสําฤสายกันที่วันนี้เนื่องจากคนไม่มีธรรมะ แล้วัรรมะมารักษากายวายายใจของตัวคนอืน่นก็เลยเป็นทุกข์สัตอื่นก็เลยเป็นทุกข์ตัวเองก็เป็นทุกข์นี่คือการขาดธรรมะการไมปฏิบัติธรรมะถ้าปฏิบัติตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าวโวกของเรานี้จะส ง, งบสุขน้าอยู่หน่าอาศัย เพราะธรรมะเป็นเสื่องกำจัดเรื่องเชื้อเสียต่างๆออกจากกายจากใจคนที่มีธรรมะอยู่ในกายในใจแต่คือว่าคนมีคุณค่าคนมีสาระในตนของตนตัวเองก็ไม่ได้ทานิสัวได้ทําได้ลูกแด่คิดเรื่องเชื้อเรื่องเชีย ถึงมีอยู่ในตัวภายในซึ่งไม่ได้ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนตัดอื่นเดือดร้อนแต่พ ย, ยายามขับไล่ออกไปจากกายจากใจทังตัวนี่คือคนมีธรรมะคนรักษาธรรมะรักษาภายในคือรักษาใจของตัวโดวยส่วนใหญ่ที่จะไปทาไปพูดมันออกไปจากใจ ผักดันออกไปจากใจใจคิดก่อนใจถึงก่อนจะทําชั่วทำเสียหรือพูดออกไปในเรื่องชั่วเสียต่างๆมันเกิดมาจากหัวใจที่เราคิดเอาไว้วงเอาไว้ถ้าไฟชั่วไฟต่ำความงามจิตใจการพูดหรือการทําเหล่านั้นก็เป็นไปในทางชั่วทางเสียนี่คือขาดธรรมะ ธรรมะมีอยู่ในจิตในใจการทำการพูดออกไปไม่มีชั่วไม่มีเสียเพราะคิดที่เจรนาใส่ตองแล้วจึงคอยทำคอาพูดไม่มีการผิดพลาดอะไรในการทำการพูดของเขาเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวของท่านผู้ปฏิบัติธรรมะก็มีความสุขความสบายเพราะตัวตาดูว่า เรื่องกายหรือเรื่องฝายจาของเราที่จะไปทําไปพูดอย่างนั้นมันไม่มีในทางส่จะเสียหายตลอดถึงจิตใจเองก็หักห้ามถ้าหากจิตใจเป็นไปในทางอาธรรมการที่จะไปพูดไปทํานั้นท่านหักห้ามเอาไว้ถ้าจิตใจเป็นธรรมเมื่ อ, อไรถึงสิ่ง น, นั้นจะฝ่าศูเนเหน็ดเหนือหน่อยเหนื่อยหิ้วกูอุตส่า แต่ทำไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นตัดอื่นและตัวของท่านแะนั้นเราผูกกับผู้ปฏิบัติธรรมะโดยส่วนใหญ่ถ้าหากรักษาใจของตัวมีสติมีปัญญาสวดตาที่เจรินาการถูกการทำการคิดของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลามีแต่ปฏิบัติไปในทางดีทางกล่าวหน้าทางสุกทางเจริญ การทำตัวดีการสูดตัวดีเป็นไปเถือความบริสุทธิ์คนอื่นเห็นเขาขอเย็นใจเย็นตาสร น, นเสิญชมเชยกับคนปฏิบัติศาสนามีความสงบน่าเคารพบูชาถ้าหากทุกคนปฏิบัติธรรมรักษาธรรมอย่างนั้นเรื่องการเลื่อมใสเติมใจในคนอื่น ที่จะมีศรัทธามาประบัติปฏิบัติศาสนานั้นไม่ต้องเรียกร้องอ่อนวอนขอใส่เพราะเขาเห็นตาเขามีหูเขามีใจเขามีตาดูหูฟังใจคิดสิ่งที่ดีที่ชอบไม่ว่าคนที่ศึกษามากหรือศึกษาน้อยเขาจะยินดีจนใจทางนั้นถ้าเป็นของดีของมีคุณค่า ค่ะฮะเป็องไมมีคุณค่าไม่มีสาระไม่ดีไม่วิเศษแล้วไม่มีใครปราถนาไม่ว่าจะแก่มนุษย์ศาสตร์มันก็ไม่ปราถนาเพราะมันไม่ดีไม่มีคุณค่าเรื่องศาสนาจะเสื่อมไปคือเสื่อมไปจากกายจากใจของผู้ประพฤตปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ก็ได้แก่นักบวชที่ทําให้คน ส่วไปในเหลื่มมสยสัทธานักบวชคือผูเว้นจากชั่วจากเสียต่างๆเสียสละมาทุกอย่างเขา่ของเงินทองบ้านช่องไหนาเรียบสวนต่างๆตลอดถึงหลูกๆเนียเมียอุตสาทยายามมาบวชเพื่อจะปฏิบัติตัวค้องตัวให้มีคุณค่าสาระ แต่หน้าบวชแล้วไม่ได้คำนึงคำนวณถึงหลักธรรมวินยัยไม่ต่างใจก็คพื่อปฏิบัติเกะลา ล, า, ลานพูดเกาะพูดจิิงที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นทาก่อทาไปด้วยอำนาจความผักดันของกิเลสตัณหาภายในพอใจไม่มีอัตมีธรรมจึงพูดจึงทำไปอย่างนั้นเมื่อนัก บ, บวชทาพูด ออกไปส่งเป็นส่วนหยาบให้เขาเห็นในทางเสียดทางเสียแล้วเขาบอกเบื่อหน่ายหรืนัก บ, บวชนี้ไม่มีเป็นงานทําดีอะไรบวชมาอาศัยอยู่ก่อจินในศาสนาเหมือนกันกันกบดาวฝาหรือเป็นผู้ที่เอาเบียบสังคมไม่ได้ทําการทํางานอะไรมีแต่ดินถาบาดมาเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องเลี้ยงที่เละกันหาของตก ความเสีดเสียต่างๆไม่มีอะไรที่จะตกออกไปไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาเขาจะจำหนี้อย่างนั้นในยินดีเต็มใจที่อยากจะเข้าวัดเข้าว่าอยากจะต่อที่ปฏิบัติศาสนาเพราะนักบวชที่อยู่ในศาสนาติดเป็นศาสนาท้ายยากจึงพระศาสนามาต่อพี่กายวาจาทั้งตัวไม่ดีส่วนภายในขื้นใจนั้น ยากหนักหนาที่คนจะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรเพราะมันอยู่ภายในที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็สอแสดงออกมาจากใจไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเขาจึงถือว่าการทำการพูดนั้นนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกของใจใจเป็นสื่บังคับบัญชาโดยส่วนใหญ่เป็นไปอย่างนั้นเว้นแต่ท่านที่บริสุทธิ์การพูดการทำของท่าน มันไม่เข้าไปถึงความบริสุทธิ์ของท่านความบริสุทธิ์ของท่านนั้นมันไม่อยู่ในวงสมมติที่เราจะรู้จะเข้าใจกันแต่คนที่มีจิต劣ตัญหาไม่ชอบไม่ยินดีในสิ่งที่ท่านพูดท่านทานั้นเขาก่อตาหนิเป็นธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดออกฤทธิ์ทำไป ไม่ตรงกับใจของเขาสิเนื้คิดเอาไว้เขากพอือว่าไม่ดีไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่มีอัดทำอยู่ในจิตในใจเขาเอาความชอบใจของเขาเป็นใหญ่เขาจึงตําหนิยินทาแต่นั้นผู้ที่บริสุทธิ์รีมุตนิพพานในการปฏิบัติศาสนาก็ยังถูกดูหมิ่นยินทาไม่ได้พาสิทธันจิงต่าอว่านัตสิโลเกออ น, นันทิโต คนม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหมายถึงว่าถ้าพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นผู้ที่วิเศษเปรเตรทุกอย่างละได้ทางกิเลสและวาสนาไม่มีอะไรที่จะหนาตำหนินินทาแต่ถึงกระ น, นั้นคนที่ชั่วช้าลามกต่างๆเขาก็ยังนินทาท่านคนที่ในถูกนินทาจึงไม่มีเราท่านธรรมดาจะต้องถูกคน สิ่นนินทาอยู่เรื่อยๆไปแต่ถ้าผู้มีธรรมะผู้ฉลาดในอัตในธรรมผู้มีปัญญาที่จะนำมา ท, ที่จารณาสอนใจของตัวการนินทานั้นไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายทุกสิ่งทุก ป, ประการไปอาจจะมาเตือนใจแค่งตัวให้เป็นคติได้ก็เพือปฏิบัติเกิดดีเด่นขึ้นได้เหมือนกันเพราะเขาํขาหนินินทานั้น ห า, าเราทําเราพูดไปอย่างนั้นจริงจังมันเป็นทางขี่ชั่วขี่เสียจริงจังเราได้ตรวจตาพิ่จเจรณาทาบจากลมปากของเขาว่าเขาดูหมิน่นยินทานั้นมันมีเหตุผลจริงจังไหมเราได้ทําได้พูดไปอย่างนั้นไหมตรวจตาที่จเจรณาแล้วเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงเราจะได้ละได้เว้นจากสิ่งขี่ชั่วขี่เสียนั้นนั้นไม่ ทำไปเน่ยพูดไปอย่างน้อยก็ทำให้ตัวข้องตัวเองกำหนิดตัวข้องตัวคนอื่นก็ซอยเป็นบาปได้ด้วยเพราะเราทำเราพูดในทางสี่ช่วตีเสียนี่คือผู้มีสติมีปัญญามีธรรมะไม่ได้เมาโอะเขายินทานั้นจะเสียหายไปหมดถือว่าการยินทานนั้นาหากว่ามีเหตุผลเกี่ควรจะละจะปฏิบัต ก็จะต้องนํามาที่นิ้พิจารณาศึกษาเกิดแก่กายวายจาใจทองตัวที่ชั่วจีตเสียนั้นนั้นให้หมดไปจะทําทไปเรื่อยๆ เ, เขาก็อใจจิตนี้ทาอยู่เรื่อยๆจะทําให้เสียหายแกคนส่วนใหญ่ที่เขาเหลื่อมใสศรัทธาเราต้องทีนี้พิจารณาชักสืบดูพิจารณาดูวิจัยวิจารณ์ดูสิ่งที่เขานินทานั้น เราไม่ได้ทําไม่ได้พูดอย่างที่เขานินทาที่เขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาความผข้ใจปิดของเขาเราก็อภัยให้เพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ทราบอาจทําอะไรปากแทงเขามีก็เหมือนกันกันกบปากสุนัขปากหมามันเหา่เ า, า, า, เหาได้ทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะทั้งโจรทั้งมานมันเห่าได้แค่มั้น ป้าคงควที่ไม่มีอัตชั่งกับชํานองเดียวกันแล้วเราก็ยอมเสียสละกไม่ไปต่อว่าต่อฐานหมากัดคนมันเป็นธรรมดามัเพยจะลงข่าวจะคนกัดหมานี่มันแย่เป็นขิดเราถึงมีอาจมีคาในจิตในใจเมนนเื่อคนชื่วคนเสียมาดูดาา่าว่ากล่าวหรือเขาทําเรื่องเกินเราพอให้ที่นี้พิจารณาอย่างนั้น เพื่อจะยับยั้งสั่งใจของตัวไม่ใหได้ตอบเขาไปทําชั่วเหมือนเขาหาเราเหนือเขาจะต้องมีธรรมะมีสติปัญญาสอนใจได้ถ้าเราเสมอเขาเขากัดเราเราก็กัดเขามันก็หมาทั้งสองฝูงเขาชั่วเราก็ชั่วเหมือนเขาเราจะต้องมีธรรมะพิจารณาในจิตในใจอย่างนั้นไม่อย่างนั้นธรรมะก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ ธรรมะคือการ ป, รปฏิบัติเพื่อจะแก้ไขชั่วเชี้ต่างๆออกจากกายวาจายใจทั้งตัวผูม้มีธรรมะจะต้องมีสติมีปัญญาอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะไปที่ไหนมีธรรมะประจำใจคนที่มีธรรมะรักษาธรรมะ ม, มีการ ทำการพูด ก, การคิดในทางบริสุทธิ์ในทางดีทางดีโดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องชักจูงมนุษย์ลัวไปให้เหลื่อมใสศรัทธาเพราะทุกคนต้องการดีมีความสุขต้องการความสงบต้องการความเยือ ก, อกเยน็นเป็นทุกข์ร้อนต่างๆหรื่งเของมาหาพระศักดสาองค์นั้นไม่มีธรรมะอะไร พอเขาเข้ามาสุงพราอาศัยด้วดความเดือดร้อนจิตใจก็อทาอากาศกิริยานหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารไปพูดออกมาก็ไม่มีธรรมะอะไรทําให้เขาไม่ยินดีเต็มใจเพิ่มความทุกข์ของเขาแห่เราร้อนขึ้นไปอีกอย่างนี้ก็ไม่มีใครกิริยาใบาหน้าเขาไปหาท่าแบบนั้นกี่เขาเขาไปหากันเสวะเจ็ดทุกใจนั้น เขาไปหาพระที่มีธรรมะในใจหน้าตายิ้มแย้มใสพูดออกมามีเหตุมีผลเยน็นหูเย็นใจทุกที่เคยมีอยู่ประจำใจก็เลยคลายออกไปถอนออกไปได้รับความสุขความสบายนี่เขาวิ่งเขามาถึงพาอาศัยผู้มีธรรมะเหือความทุกข์ความเดือดร้อนของใจอย่างนั้นตกเราท่านที่ประพฤติประจุบัติ ในศาสนาเป็นพระเป็นเนนจึงควรกระทำบําเพ็ญในสิ่งที่ดีที่ชอบเพื่อตัวของตัวจะมีนมิตตัวอของตัวคนอื่นที่เจอนะใส่ซองดูแล้วเขาจะสรลเสริญว่าพระเนนบวชในศาสนามีธรรมะมีอัตมีธรรมไม่ใช่เป็นไทยแข่งสังคมท่านบวชท่นานละเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆ เรามีข้อข้องใจขัดใจมีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องของเราเข้าไปเรียนถามท่านท่านจะแนะนำสั่งสอนให้จิตใจของเราเถูกใจสงสัยเคยจิตคล้องจะหมดไปเบาไปสบายไปเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เลื่อมใสเขาก็ยืนดีเขาก็เต็มใจที่จะบำบูรงรักษาศาสนา าพระแบบนั้นไม่มีศาสนาของเรานี้กบพังไปนานแล้วที่ศาสนาคงเส้นคงวามาตลอดเวลายาวนานขนาดนี้ตบเพราะพระดียังมีอยู่ือท่านปฏิบัติตามอธรรมตัวของท่านเองต็ทราบแต่ตัวของท่านไม่มีอะไรที่จะเป็นไทรเป็นเยนแก่โลก คนอื่นที่มีสติปัญญาเขาพิจรารณาพอเห็นด้วยว่าฉันมีความยอดเยี่ยมมีความสงบจริงเราทุกวันนี้ที่เป็นพระเป็นครูอาจารย์และท่านสูรู้มาก่อนที่เขามาสาวไหวสักราบบูชาให้ที่อยู่ที่อาศัยให้อาหาราการกษขฉันตลอดผ่านหนุนหมต่างๆ เพาครู อ, อาจารย์เหล่านั้นหรือท่านผู้ปฏิบัติเหล่านั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมา ก, ก่อนผู้ควรทั้งหลายเหลื่อมใสศรัทธาตัวพียงเราเองยังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่างท่านก็อย่านอนใจต่างหน้าต่างตางรักษาขอวัดปฏิบัติเอาไว้แล้วกําจัด สิ่งที่เชื่อสิ่เสียที่ใจของตัวอหญ่ให้ตกออกไปาหากมันเป็นฝ่ายเชื่วฝ่ายเสียรีบกําจัดฝ่ายเป่ามันออกไปพอเลี้ยงมันไว้กว่าจะเป็นพิดเป็นใครเลี้ยงมือเหา่ามันจะกัดเราให้เดี๋ยวรับผู้รับโทษเรื่องกิเลสตัญหาภายในใจกทํานองเดียวกันกันธ์ชิ้ให้กําจัดออกไปโดยส่วนใหญ่นักบวช คิมากเพราะไม่มีการงานจะทําด้านของกายใน่คยเด็ก่อสร้างอันนั้นก่อสร้างอันนี้ไม่ได้ทํางานอันนั้นทํางานอันนี้ฉันแล้วก็มีหน้าที่จะคิดจะนึกในสิ่งต่างๆมากกว่าคารวะเขาคนที่มายุ่งเกี่ยวกับเราต่อไปถอยมี นจนว่าหลูกเล็ดเหล็กแดงเหมือนคาราวาจะมีโอกาสคิดคิดมากการคิดมากถ้าคิดไปในทางผิดทางชั่วมันก็ทําตัวให่เสียหายไปยิ่งกว่าเป็นคาราวาเจออีกเพราะโอกาสเวลามันมีมากเด็กคิดมากหากเราไม่ตั้งวรรักษาตายบายจากพวกเราเด้ยวยธรรมะเราอยู่ในศาสนา ก็จะเป็นโจนเป็นมาเหยียบย่ําทําลายต้นศาสนาเป็นชาเป็นแนนตังเงแต่เสียงเสื่องทายแต่จิตใจเอื้ไหลไปในทางชอื้ทางเสียคือคิดเป็นโจรเป็นขโมยท่างช่างสิไหนไม่ได้ไปทําไปพูดแต่จิตมันก็คิดไปปุงไปจับจ้องสิ่งนั้นจับจ้องสิ่งนี้ ในทางสี่วเฉียวสเสียตี่พระพุทธเจ้าอาาะ่ะยากยาแต่เราชอบไปคิดไปจึงในสิ่งเหล่านั้นสิงที่ท่านสอนไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในโดยทาการจริงจังใจของพวกเราท่านมันจึงมืดบอดอยู่ตลอดเวลาถ้าหากพวกเราท่านเชื่อฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หรืออาจารย์สอนเอาไว้ใจของเรา จะมีวันผ่องใสจะมีวันสงบเพราะอุปชาอาจารย์สอนเอาไว้ทุกคนทิดผ่านการหดมามันเคยได้รับกรรมฐานมาก่อนทั้งนั้นคือกรรมฐานทั้งห้ามูลและกรรมฐานเจษาโลมานะขาชันต า, าแต่โจมีฉันสอนโดยการทุกคนแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าแต่ถ้าเราะว่าถั่วไปตลอดทุงพระาผ่าดำๆอยู่ตามตา หลักหนูหลักตาอยู่ในถ้ำในเขาเขาถือว่าพระกรรมฐานอยู่บ้านโยช่องเขาไม่ได้ถือว่าเป็นฆ่ากรรมฐานแต่ความจริงเดี๋ยวเรียนกรรมฐานมาเชียก่อนถึงได้บวชเป็นแนนเป็นพระให้ทำไมผ่านกรรมฐานแล้วบวชไม่ได้เป็นพราเป็นแนนไม่ได้แต่เขาลืมไปว่าเขาเคยเรียนกรรมฐานมาก่อนเคยศึกษากรรมฐานมาก่อนคือเขาไม่ได้สนใจท่านบอกไปแล้ว คนแล้วไปจนตลอดก็ถ่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะยังไม่ได้ศึกษาในที่เจรานาะเรื่องัองกรรมฐานคือฐานที่ตั้งแห่งชีวิตันหาแห่งความหลงของใจนั้นมันเกิดจากเรื่องของกรรมฐานคือประาอาจารย์แน่สอนเดษาโลมานาคาทันตาะโจบหมายถึงผมผลเล็กฟันหนังห้าอย่างนี้แหละเป็นที่ตั้ง ความหลงของใจความหลงของใจที่จะไปได้รับทุกโทษต่างๆมันหลงของห้าอย่างอันนี้ถ้ารู้ของห้าอย่างอันนี้ตามหน้าที่ของมันตามเป็นจริงของมันแล้วความยุ่มหลงของใจหมดไปจากสิ่งทั้งหานี้คนนั้นจะมีความสุขความสบายพอสมควรในวุ่นวายในจิตในใจของห้าอย่างนี้ ไม่ใช่จะมีอยู่แต่ภายนอกที่ท่านบอกท่านสอนในตัวของบุคคลทุกคนมีจะเป็นพระสวดีเป็นเนรกวดีเป็นฆราว า, าสกวดีกรรมฐานท้งหานิฐานที่เจริญนะเป็นในทางกิเลสตัณหามันก็เกิดกิเลสตัณหาชอบพอติดความยินดีกาหนับเพลเพลินเมือเ่อหลงไปในสิ่งเหล่านี้บริวารอื่นๆมันก็เกิดขึ้นการงาน ทุกสิงง่งทุกอย่างที่จะต้องแสดงหามาบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้ให้พงเป็นคงวาไว้อยากจะเาสิ่งเหล่านี้เป็นที่งสิ่งที่อาศัยทั้งใจมันคิดไปต่างๆอยากอันอื่นมันก็ยังมีทางคระ ง, งับดับดได้ท่านหนึถือว่าเป็นภัยอันตรายเท่ากับหลงกรรมฐ า, านทั้งห้าคาคาเรื่อง กรรมฐานทั้งห้าพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิปูลย่างที่อุเบชขาอาจารย์สอนถามันเห็นใ น, ในใจิตในใจเด่นชัดอย่างนั้นมันไม่หลงไหลกันเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นจิตใจไม่หลงไหลใส่ฝันในเรื่องเหล่านี้มันก็สงบมันก็สุขมันก็สบาย <c oughs> นี่มันหลงไหลอยู่ตลอดไป พอมาได้เอาใจใส่สอนแล้วบอกแล้วไปตลอดจะทั้งวันนี้ก็ยังไม่ได้ทิ่นี้ทีรณาะอะไรให้คอยใจตามเป็นจรนที่ท่านสอนความจริงจริงเหล่านั้นท่านสอนตามความจรนงของมันไม่ได้ไปตำหนินิทาใส่ร้ายบาจริงเหล่านั้นมันปฏิกลอย่างนั้นมันปฏิกลอย่างนี้ความจริงมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวนเราท่าน มันหลงตัณหาจึงไปจะมุ่งมั่นหมายว่ายิ้มว่าใช้และสวยว่างามไในสิ่งเหล่านั้นท่าหาพิเจนาการยิงจังโดยกรรมฐานทั้งห้าก็พอจะบรรเทาราคะตัณหาตามกำหนัดยืนยีความยากในสิ่งเหล่านั้นให้ตกออกไปให้หลุดออกไปได้หนีเราไม่ได้พิเจนาตามเป็นยิงคงมันจึงหลงไหลใสฝันบ้าบ้าบอ เบืกเป็นพระเป็นเนนอยู่ในวัดในวังแต่เตียงกายแต่ใจไหลไปคิดไปไปดินแทบาทหรือไปในหมู่บ้านในเมืองผ่านเข้าเห็นเข้าชอบจิตจิตใจในรูปคือจิตในเขนในขนในเล็บในฟันในหนังนั่นเองแล้ว เกิดความอยากได้ใข่คิดเลื่นทีนี้ทีิแก น, นะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังอนัตตาหากธรรมะในจิตในใจใจจึงหลงไหลมู่ บ, บอดอยู่เรื่อยไปทำให้ใจเกิดทุกข์เกิดโทษเหมือนมันมีกาลังมากมันก็ไปกันใหญ่ไม่สามารถที่จะอยู่ในธรรมในวินัยได้ถึงอยู่ไปต่อคอยวันตายไม่มีวันที่จะ มีธรรมะเจ้าวหน้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญาริมุตตาแต่นั้นเราที่เป็นนักปฏิบัตินักบวชจึงควรที่นิพพยานนำกรรมาฐานทั้งห้ามาสอนใจของตัวอยู่เรื่อยๆไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอยู่ที่ใดเราเดินอยู่ที่ใดกรรมาฐานทั้งห้ามันอยู่กับเรา เรานอนมันก็นอนอยู่กับเรามันเราเดินมันก็เดินอยู่กับเราขังเหล่านี้เหนือนพี่เจนะตามเป็นจียงของมันมันเป็นอย่างนั้นคือผมก็ดีง้อขึ้นจากที่จากท้งเน่าข้องเหนียเหมือนกันกับหญ้าที่เกิดจากปุ๋ยจากคุ่นจากท้องสศษตะกบถ้าที่ใดดินไม่มีปุ๋ยดินไหนมีม มีปุ๋ยมีนม้ำสถานที่นั้นเอายาไปปลูกมันก็ตายมีผมของเราขนของเราหงอกออกมาโดยจากน้าเลือดน้าเหลืองจากท้องเน่าท้องเหม็นมนั่นเองแต่เราก็ไปหลงมันแต่มันสวย อ, อย่างนั้นมันงามอย่างนี้แต่เวลาถอนออกมาโผลออกมาจากสถานที่ที่มันอยู่เอามาทิ้งใส่ ในถ้วยในจานในอาหารหรือน้ำดื่มเราก็ไม่สามารถอีก่หละมันเป็นบาเป็น บ, า, นบาอะไรมันอยู่นั้นทำไมมันได้ชอบไปยินดีเมื่อมันตกมาอย่างนี้ทำไมมันไม่ชอบนี่เรื่องของจิตเวลาอยู่สถานที่หนึ่งชอบเวลามาสถานที่หนึ่งไม่ชอบมันเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราท่านมันยังไม่ คงเศษคงวางมันยังไม่เห็นอาจเห็นทำมันจึงไปชอบไปเบื่อในสิ่งเหล่านั้นความชอบความเบื่อนี่แหละทําให้จิตใจหวั่นไหวทําให้จิตใจเกิดทุกข์ถ้าหากมันเห็นตามเป็นจริงมันไม่ชอบไม่เบื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของมันจิตผูแต่เพียงแต่รู้ไม่ได้ไปจิตไปคล้องไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้น มันก่อสุขก่อสบายใหนี่คือการที่เจรนาแก่ไขใจของตัวให้เห็นให้เข้าใจชัดเจนในเรื่องของกรรมฐานผมขนนี่มันก็เป็นเครื่องอยู่นอกออกมาจากภายในเรียบเสมือนกันฟันยังอยู่ในนีตหน่อยหนังมันติดอยู่กับตัวค่ะถ้ลเออกหมด ขั้งตัวแล้วคนนั้นจะสวยงามเป็นนางงามองโลรุ่นนางงามพงเจงาวานรือนนางงามของประเทศต่ตาถ้าเอาหนังออกแล้วไปขายที่ไหนก็ไปเถอะในนิใัยชอบใจยินดีเพราะมันเป็นของสกรปรกแล้วหนังนั้น้าจะขูดผิวมันออกจริงจังที่เราลหลงไหลกันนั้นมันนิดเดียวเท่านั้น เพราะูดไปทั่วตัวมันก็ได้ไม่เท่าหัวแม่มองที่มันหุ่มหัวเอาไว้นอกจากนั้นน้ำเหลืองมันจะเยื่อออกมามื่มันเยื่อออกมาเลือดมันเยื่อออกมาน้ำเหลืองเยื่อออกมามันเป็นอย่างไรล่ะมันสวยไหมงามไหมคนเป็นบาดเป็นแผลตัวใหญ่โตๆมานอนร่วมเราเราชอบไหมเรายินดีไหมเราเต็มใจไหม แล้วก็เมื่อมันห่อไว้อย่างนั้นมันก็ห่อของเน่าของเหม็นห่อของโสกประโตกเราเราไปล้วลงไหลใฝ่ฝันทำใหม่นี่คือที่ใจนาเสื่อใจแก่จิตแก่ใจแก้ไขความกําหนักจีนดีท้องตัวคนมีปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะรักษาใจให้ถูกให้สงบได้คนที่ขาดปัญญาคนที่ขาดธรรมะไม่มีความสุขความสบายให้ถึงสงบ ขี่วิเวกปอวิเวกแก่สถานที่แก่จิตมันไม่วิเวกให้มันวุ่นวายตลอดไปมันไม่สุขม่สบายให้แต่นั้นการที่เจรณาแจกไขกจิตใจยินเป็นหน้าที่ของพวกเรานักบวชทุกคนจะควรฝึกฝนกรณีที่เจรณาไม่อย่างนั้นจะเป็นช้าซึ่งสุขประเสริฐไม่ได้จะเป็นสมณนะซึ่งผู้สงบไม่ได้นี่แต่สุ่มสันลำคาญ ลบวนจิตลบวนใจท่องตัวแล้วลบวนคนอื่นเพราะความไม่สงบไม่มีอาจมีธรรมกายนี้จึงเป็นที่ตั้งของปัญญาาที่นิพพานาตามเป็นจริงแล้วกายนี้เป็นสถานที่ศึกษาเป็นนหาวิทยาลัยของพรเดีอาจา ทุกองค์จะต้องกำหนดทุกองค์จะต้องที่นี่ทจะรนศึกษาเมื่อเข้าใจในเรื่องกรรมฐ า, านทั้งหา้าในเรื่องของกายไปจากทัตเยนแล้วคนนั้น